ตังใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติมันสะดวกสบ า, ายคายคายคือเป็นโครงสร้างนนให้มันเป็นรูปเป็นรางขึ้นมาเหาุกบบ้านแตงเหอนเหาะถ้าหากพื้นฐานดีลงหลักรงเทมดีบ้านหลังนั้นสุนทานดีเป็วนวา่าบ้านหลังใดบ่มีโครงสร้างบ่ลงหลักบ่ลงเทมสมมุติตึกยัน่ันอย่างนี้นแตกลาวพังไป อันนั้นแสดงว่าบมได้มีโครงสร้างโครงสร้างดีแั่บ้านหลังนั้ น, นทนคานดีเฮาก็คือกันการปฏิบัติทรมาให้มันเข้ารูปเข้าลอยบนนั่นสิให้ไปตามอารมณ์ใไปตามความเห็นให้ไปตามความคิดอั น, น, นใดไสอัไใดมันเพศไปตามอารมณ์โตแล้วเด้ ให้ไปตามความคิดตัวเลเดนให้ไปตามความเห็นตัวเลเดนโบเมเพิ่งจังหวะให้ฟังเพื่อฟังคำแนะนำของบุคคลผู้ติดตามเขาจึงจ้างกันบุกบ้านเจิงเขาจ้างกันให้ออกแผ่นออกแผนบ้านหลังนึงราคาเป็นหมื่ื่นคุณเขาจะจ้างกัน และบัณฑิสร้างที่ไปปลูก ก, ก็ต้องเฮ็ดตามแบบตามแผนอ น, นั้นผิดแบบผิดแผนอันนั้นก็ต้องมาเสียเงินเสียทองซึ่งแล้วกันขาดทุนผู้ไปประมูลก็ได้บางคนบางคนเขาได้กำไรก็เพราะว่าสร้างนั่นแหละเฮ็ดโมถูกกับแผนของเขาเข้ามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็เช่นเดียวกันฝึกหัดได้อันนี้อันนี้เราฝึกหัดทําอี่ต้องฝึกหัด รูปกายดีสะกดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยการกราบการไหว้ <at> การทําทบัดเตรเซาทําวัตรเนี่เป็นการฝึกหัดนอนตื่นเมื่อเซาออกมาเดินจม ก, กลมอันนี้เป็นการฝึกหัดบนนั้นสิาอยากเฮ็ดเราเฮ็ดอยากไปเ้วไปอันนั้นบนนั้นบูทูเมื่อแรงก็คือกันอาบน้ำแล้วก็เดินจมก้มเนี่ย ที่บอกว่าให้ฟังอันนี้เป็นการฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็นเมื่อเราฝึกหัดรูปกายภายนอกให้คนเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยแป่ี้ยวโค้างลาภฐานมันก็ดีขึ้นมันจะเป็นใสเทิงเวลาเฮ็ดแล้วมันก็ดเฮ็ดเทิงเวลาทำแล้วมันก็ีทำเพราะมันติดได้ครับเขาแอบอยังใดมันเป็นดังสันคนเขาแอบดีมันดี แอบบอดีมันบอดีคนเขาเพื่ออยากฝุกหัดดัดนิสัยให้เป็นตัดเป็นส่วนให้มันดีมันงามขึ้นมาถ้าหากเขาทุกคนดัดแปลงตัวเขาอย่างีิโครงสร้างของเขาอย่างสิพระเนนทุกองคเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้าญาติโยมทุกคนเห็นเขาเจ้าเบิ่งค่อยค่อยเบิ่งเจ้า มันมีขมละอายถ้าหากเขา บ, บริสุทธบรทธานกับมู่อิงอย่างพอวานี่อันนี้มันเป็นแบบแผนเปรียบให้ฟังว่าบ้านหลังใดจ้างสร้างเขามาออกแผ่นให้แล้วก็จ้างนายสร้างมาเบื้งดูแผ่นนั้นมักแล้วอันนี้ก็ต้องทำรถคันบ่มักนายสร้างผู้ออกแผ่ก็แต้มใหม่อีกซึ่งเขาคิดเงินกันว่า บวงู้จักต่กอนไปอยูุ่งเทพโดยผู้จักกาจเทศทางซันโอ้โครงสร้างมันเป็นอยงนี้แตสร้างโครงบ้านเฮามีตีปุกบ้านแตงเฮือนได้เสาไม่แล้วกับฝั่งเสาให้มันแน่นแล้วก็เอาไม้ข้าวไม้ขางมาตีแท้มันแน่นบ้านหลังใดขันบกฝั่งเสาดีกระเนิงเดือดเดียวกับได้ปลูกไม่แปลงใหม่นี่ อันเ้ามาปฏิบัติธรรมะนี่ก็คือกันให้รู้จักเวลาให้รู้จักการรู้จักงานฝึกคนนุ่งผ้าก็ได้ต่อไปนุ่งผ้าต้องนุ่งให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุมผ้าก็คุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็น่าดูน่าสมนะว่ามนมีเรื่องอยังอันนี้เป็นวิธีฝึกให้คนเห็นส่วนจิตใจบ้เนี่ย เราต้องปฏิบัติจริงจริงจังจั ง, จงเรื่องแรกเราปฏิบัติให้รู ร, ร, ร, ร, รูรูหนาม่สกปรรูรูรูหนามดีแล้วเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปบนนั้นที่มาจําเอาซื้ออนี้เปันว่าให้ฟังว่าถึงสูตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จนี่มันมีแล้วมันสําเร็จตัวมันอยู่แล้วแต่เราบอทําทให้มันสําเร็จขึ้นมา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 คือเฮาหู้จักคุณค่าของเฮาให้ว้เด็ดขเฮาหู้จักจะแดบโลกโลกผู้ในวาว่าอย่งให้กูเก่งนี่เปนว่ากูดีนี่กูเรียนมาแล้วแน่ผิดแล้วพคนมาคนได้รู้ธรรมะแล้วเสื่อฝั่งอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเคารพสถานที่อย่างสถานที่ของเขาคนมาบ่งหน้าเขารพก็คือเขาเคารพโลก น้านับถือรอดแท้ความจริงขาาจับก็เห็นเขาลบนับถืออันนี้มันเป็นภายนอในเลยส่วนเฮาหูจักธรรมะแล้วเขาลบนับถือไหว้ตัวเองทีเด็ผมยกมือไหว้ตัวเองได้ตอนเศรัาเพราะผมรู้จักเรื่องนี้ก็มีหมาวาสู้มู่สู้เพื่อนฝักงพยายามข้าจริงๆ ปีนี้สำหรับพระเนนเขาออกระตุ้งคูให้ได้ทำวัดเสาวัดเย็นวาให้ดังยากิซูกคิดว่าเราจิบมไ่ได้เป็นหัวหน้าคนถ้าเราดีและเป็นหัวหน้าคนได้ทันทีถ้าหากเราอ่อแอะเงาะแงะไ่เป็นหัวหน้าคนใดบ่ดีดีอยากเถื้อแล้วคนผู้หันผมบ่ฝึกหัดตัวเองเนียงามใดก็ไปเดินทุดงเนี่ยไปประกาศ ไปนำมุ่งแล้วไปเดินทุกองมายถึงอันใดเขาจีบบได้รู้จักหมายถึงการขัดเก่าขวมซัวเขาเอื้นกิเลสอันกิเลส เ, เพราะอื้องขวมซัวควมซัวยู่ที่ใดเขาพยายามเตะมองให้ม่เห็นตัวเหาเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นไม่เห็นตัวเหาเขาเห็ดซัวเขาก็เห็นโลดพันทีเขาเฮ็ดดีแล้วก็เห็นโลดพันทีเพราะมันอยู่ที่เหา บ่มีผีบ่มีเทวดาบ่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาทําให้เฮาถ้าหาเขารู้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องเขาลบพระธรรมนี่เขาว่าที่เป็นแล้วด้วยที่กําลังเป็นอยู่ด้วยที่กําลังจะมาตัดสรู้ข้างห น, น้านี่ก็คือกันต้องเขารบพระธรรมนี่พระทําการพระทํางานพระพูดพระคิด โตเฮาเนี่ยทำให้เขาเป็นพระเนี่ยเจ้าว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งเขาตั้ ง, งโลงลากลงทานปีนี้ต้องพยายามผิดกันจริงๆเถิงเวลมเวลาก่อนหน้าดูหน้าสมเน็คซองสามมือมานี่เป็นรูปนึงแล้วได้ดีนีเน่เขามาฝึกหัดกันถ้าหากบกฝึกหัดกันแล้วก็ตั้งคนตั้งเหตดตั้งคนตัง้งไปแล้วมันก็บวกคือพระพุทธเจ้าวานแล้ว พุทธานุพุทธังสมามะสีดทิฏฐิมันก็บอคือผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิลและทิฏฐิเสมอกันเนี่ยเขาว่ามีสินคือการมีทิฏฐิคือกันคำวมาทิฏฐิแต่คนอ้วนขวมเห็นควมเห็นแบบพระพุทธเจ้าเพื่อจะวฝึกหัดเขาว่ากันสั่งพระคุณนั้นเขาว่าซื้อซื้ อ, อว่าแต่ปากหันว่าแต่ปากนั้นหันได้ผลน้อย ว้าแล้วทำตามมาได้ผลดีอย่างพุทธานุพุทธานี่ก็คือกันอย่าเว่าแต่ปากให้สํานึกยึ่เสมอเอาว่าเมื่อกี้นี่ก็ยัตสะศัทธานะ่ะสวดธรรมวัดเตากันเนี่ยศัท ธ, ธาผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวเนี่ยเอาว่าย่าไปวันไหวต้ออารมณ์ภายนอกแล้วกระ บ, บทหนึ่งพุทธสวดไว้พุทธะโลกาธรรมเมหิจตังยัตตะนักัมปติ อาโสกลางวิรัสังเทมังเอตมังคะละมุตตมังจิตที่ย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายในส่วนว่าพุทธานุพุทธังจิตของผู้ใดตั้งมั่นสัย่างดีไม่วันไหวต่ออารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์เขาจีมายงย่องสมเขาก็ตั่างบ่วันไหวเพราะเขาเห็นพระธรรมแล้วเนี่ย อันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าอาโศ ก, กังเป็นจิตบอโศกเท้าเป็นจิตบอเศร้าหมองมันดัเป็นนาสันตรอยู่ของทุกคนเมืบอกว่าผู้หญิงบอกว่าผู้ใส่บวาพ่งองค์เจ้าอันเป็นเพชรเป็นทองคำํำมันได้เมียยุหันแล้วเฮาหักบวบเบิลตัวเขาไปเบิลแต่ผู้อื่นพูน ผู้ใดว่าอย่างให้เหาแร่นแต่คุบอารมณ์เขาโลนนี่มันเป็นไปได้ไงมกนก็เลยเป็นจิตเศร้าหมองเป็นจิตคุ้นงัวไปซะนี่แต่โวจิตแท้ๆมันบคุ้นหมวมันบดเศร้าหมองไปหน่อนอาจจะกังนี่ละชั่งกันผมว่ า, ว า, วาเป็นจิตที่ไก่จากธุลีคือน้าขี้ตมผมว่านาะเห็ด น, น้าหอยตีงัวตีควยเห่าเหาเ อ, อิญน้ำคุน้นน้ำขี้ต่อมบนน้าคุนนค้นบนน้าขี้ต่ม ที่ต้มขี่คุณมันต่างหากอันมันมาให้ให้น้ำคุณแต่ความจริงน้ำกับตนมมันอยู่นํากันได้คนว่าจยางนั่นแต่เฮาหักเบาออกมาใส่มันมีแต่เว้าซื้อขวางเว้านั่นจีว่าเว้าลอยคําพันคํำมื่นคําแสนคําสู้การกระทําการเห็นแจ้งรู้จริงขั้งเดียวเบาได้คนว่าเอตมังขละมุตตมังคนว่ะพระพุทธเจ้าคนว่าไว้อันนี้แหละเป็นมงคล ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพิ่อติดเตีย่างนี้ผู้ไดทำให้เกิดให้มีในตนแล้วไปใส่มาใส่ใบ้นีทุกไม่มีควงเบือดร้อนเพื่อเดี๋ยวนี้เฮามีแต่เวามีแต่ไปสวดเรื่องอันนั้นไปสวดเรื่องอันนี้โตจริงเขาเลยบอเอามาพูดเอามาสอนกันมันก็เลยบได้รู้ได้เหตุโตจรงิงมันเป็นอันจรงว่าพวกเขา พระทุกองเลนทุกองแม่ขาวแม่ดำทุกคนอยู่ที่นี่ต้องฝึกหัดออกไปเป็นครูให้มันได้อยา่าสว่ามาฝึกหัดมาร อ, อปะแปะบุินทานี่แหละฝึกหัดเบื้องแรกต้องฝึกหัดรูปกายสะกอนให้มันเป็นโครงสร้างคือย่างฝุกเหืินนี่แหละฝั่งเสาให้มันดีแล้วก็ตีคางวางตรงให้มันแน่นหนาะ เล็ตบตะปูห้าตะปูสี่เนี่ยพูดหนักตางว่าใส่น็อตขันเข้าย้ายมันซใส่บตรจงขันเอาเล็ตบตะปูน้อยๆตีใส่แล้วมันละใายลถส่งเงินมันละโบทนอยู่กับโลมพางไป่รถเนี่ยก็เลยความมั่นคงของเห่ากันเลยจีบมีคนอื่นมาเบิ่งเห่ากันเลยที่บีเห็นบอลดูบอลส่เพราะเหานี่เองทําดีทําตัวอันนี้เป็นการฝุกขั ด, ดทุกองคต้องฝึก พวกฝึกบ่บอใดยอยู่ที่นี่ปีที่มันเจ้าโฮมก็อย่างนี้เพราะว่าระยะสองสามปีนี่เขาออกมาตงึงขูได้เลดเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้ถ้าฝึกเดี๋ยนี้ดูเดีน๋ดนี้ก็เป็นได้ทันทีอย่าเอานี่ใส่เดินเดิมมาเฮ็ดอย่าเอานี่ใส่เดิมเดิมมาเวาอย่าเอานี่ใส่เดิมเดิมมาคิดเป็นคนพูดมากทำมากรักการรักงานอันนี้เป็นหัวหลักรักไปว่าคิดถึง บุเป็นรักผู้หญิงบุญเป็นรักผู้นินสุตบาลักการรักงานรักเวลารักหน้าที่นี่จ้ะวัดถึงเวลาเขาต้องคิดถึงรถสิ่งอื่นๆเอาไว้สักก่อนเอาเฮ็ุมาพอแล้วสร้างกองกระถินสร้างโบสถ์สร้างสลาการปลื้มสร้างถนนหนทางดีแล้วอันนั้นนะให้ทานรักษาะสินจินเจนดันดีแล้ว แปลว่ามันแก้ปัญหาตัวเองบ่ได้ย่างย่านถีย่านเทวดาย่านบาปย่านบุญย่านไปตกนรกอันนั้นมันแก้บ่ได้มีความสงสัยในหลักพระพุทธศาสนาอยู่อันนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักย่างผพวานี่รู้จักจริงเป็นอย่างไรถีคือคนทาตัวฟูตัวคิดตัวอเอื้อนบักถี มีตาทิพย์เห็นอย่างซีโบม่นตาทิพย์ไปเห็นเลขเห็นบัตรเห็นเบอเห็นเม็ดหินไม่ ด, ม ด, ม ด, มดายโบมีนอันนั้นตาทิพย์อ่า น, น, นผู้ยิงทาซั่วผู้ซัวเขาเอินอีผีคือผีสั้นถ้าพระเนนองค์ใดทําซั่วผู้ซัวกิดซัววาญากับถ้าองค์นี้คือผีเนร์องค์นี้คือผีเนี่ยเป็นว่าอย่างสั้นเขาหักบุญจากขเขาแวานําพ่อนะําแม่เข้ามา แต่แข้งขาหน้าตามือเท่านั้นเป็นคนใจมันเป็นผีใจมันเป็น เ, นเตจใจมันเป็นพญามารใจมันเป็นสัตว์ดุราาัสารตาเหาบโเห็นได้อันจับโบทุกโดยมือมองบดเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาทิพเพปออ็นอนดทิพพระจักสูตาทิพเป็นอนุทิพพจักสูมันวัดรู้จักหุินรีเป็นอักษรวา ถ้าห้ากว่ายาโยมทำดีพูดดีคิดดีเอิญพราทำพระทำการพระทำงานพระพูดพระคิดเอิญพระทำถ้าส่งผู้เสื่อฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเขาเป็นพระส่งโดยสมมติถ้าแท้ๆด้านนี้อยู่ในใจของทุกคนเลยที่ผมว่าฟังแล้วต้งซีและจำได้เลยอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดนิีใย สันดานของเฮาให้มันดีขึ้นเมื่อเฮาดีแล้วนะไปใส่ก็มีคนอยากได้อยากพบอยากเห็นคนว่าเมื่อคนไปใส่หือเฮาไปใส่แล้วคนพบหน้าเห็นตาเขาแล้วจุ้ยสุบจุ้ยปากบ้านผมเอ็นเยสุดจุ๊ยปากบ่อยากปากบ่อยอากวอลเขาเบื่อแ่้ววะเขาเบื่อเขาบ่อย อ, อยากเว้านะ่ะให้เฮาสำนึกอยู่เสมอคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้า คิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณของพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้กับเขานี่เอาพระธรรมมาไว้กับเขานี้เอาพาระสงฆ์ไว้กับเขานี้ค่ณว่าเอาอาดีตเอาอนาคตเอาปัจจุบันมาไว้กับเขานี่ให้เมดอนันอดีตซา์แล้วซาดก่อนอย า, อามาเวาวเธออดีตเมื่อวานนี่ก็เอายามาวาวเธมันแล้วไปแล้วมันแก้กวได้อนาคตเมื่ออื่นก็ทําสาร้างปีหน้าก็ตามซาตดหน้าก็้าง มันจะแก้ปัญหาบ่ได้อันนี้แก้ได้สฉพาะประจุบันเนี่ยโอ้พระจพิวัฒน์มันบ่ดีแล้วเลิกโลดดน่อยนุ้งผ้าแบบนั้นมันบ่ถูกลักษณะผ้าพระพุทธเจ้าสอนก็เลิกโลดมาหนุงแบบมันถูกฮันห่มผ้าแบบนั้นมันบ่ถูกลักษณะของพระพุทธเจ้าสอนก็เลิกโลดมาเทเขมูนั่นพณิวัฒน์ จัดรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและคติเสมอกันพวกคนนี้คือกันกับงามขึ้นโหลดเป็นรูปเป็นลางเป็นโครงสร้างเนี่ยคนมีผู้มาพบเห็นใครเฮาเนี่ยและเห็นกันคนะุนผู้อื่นแล้ววันนี้ญาติโยมมาจากข้างนอกมาเห็นโอ้หน้าเลื่อมใสเว้ยพระเนอยุทธมีขวดี่ยจจะขจาว่าเองบนนี้ผู้นั้นผู้นี้เคือกันเด้อ บ่แม่น่าพูนั้นเหตุจังสันพูนี่เหตุจังซีมันก็ไปกันไปย่างกับตะตะแข้งเตะขากันไปสนะบ่สนย่างกันตามหลังกันไปคือตัวพวกตัวหมดในพันว่ามีอันใดขวางหน้าของตักกัดไปหมดตัวพวกหลงเอาไม้เท่งใส่รองเาอันหนึ่งเนี่แล่นส่วนหาลบพัดมาขัดของทางกูเสียดสันตัวพวกกัดออกไปโมดในพันว่า นี่ยเขาก็ต้องช่วยกันทํำช่วยกันแก้ไขนอนตื่นมื่อเช้ามายาส่งเสี่ยงพยายามทํำไปคอ ย, คอยลุกออกมาคนใดหากว่ า, าบุ ญ, ญันยางเธอก็ต้องมานาั่งสร้างจังหวะแห่งแห่งนงั่งสร้างจังหวคะคนพอเขาลุกใหม่ได้ลุกออกม า, ม, ามันยักนอนแล้วบันเนยมนง่วงแล้วก็ไปล้างหน้าออกมาเดินจุกกลม พอดีได้เวลาตีระครังแล้วเขากำมาตีระครังตรงพอเขาเดินจงกลมอยู่นี้แล้วเด้บนเนี่ยปึ๊บพร้อมกันรถคือจะพก่งโตมดกัดไม้ออกจากทางารถเนี่ยมันพร้อมกันควมพร้อมเพียงนั่นแหละเป็นโชคเป็นลาพันยิ่งรวมพร้อมเพียงความสวยงามเนี่ยปฏิบัติทมให้มันก้าวหน้าเป็นวันนะครับถ้าควา ม, มพร้อมเพียงกันแล้วกัวก บ, บ่เป็นลา บ, บ่เป็นโชคแล้ว ปฏิบัติธรรมมากับบกเก้าหน้าแล้วเป็นสั้นจังหวะมือแรงก็คือกันเขาอาบน้ำมาแล้วนั่งร้างจังหวะจากพักหนึ่งล้ว ก, มมกม็มาเดินจมกม้มมาเดินจมก้มเมื่อมาเดินจมก้มพอสมควรแล้วได้เวลาทีละครังแล้วเขาก็มาทีละครั้ ง, รงพร้อมกันแล้วก็ทาวัดทาวัดเสร็จแล้วเพิ่นก็ บ, บอกเขา อบรมเฮ้าเ น, านีนะับเมื่ออบรมดีแล้วเราก็ น, นํำไปปฏิบัติฟังคําแนะนําเพิ่นเมื่อฟังคําแนะนําเพิ่นแล้วก็จําได้อันนี้เป็นโครงสร้างเบื้องนอกตัวจิตใจนั่นเขาต้องพยายามเบิง้งเบิง้งจิตใจมันคิดอย่างไงก็ต้องเบิง้งมันคิดให้มันคิดดีให้มันทันเหตุการณ์ของมัน อันนั้นเป็นการปฏิบัติทางจิตทางใจนี่เป็นวาสันส์ส่วนจิตใจนั้นแทบบอกกันบอกเห็นแล้วนะมันมองม่วเห็นมันคิดให้รู้อันนี้วาสันส้นมันคิดให้รู้บนนั้นมันคิดแล้วให้เข้าไปในข่มคิดเด็มันคิดแล้วรู้ตัดทิ้งเลยอย่าไปตามผมคิดนี่